บันนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องมานทั้งห้ามาโดยลำดับได้แก่กิเล ส, สมารมานคือกิเลสกันธ์มานมานคือเบญจขันธ์ซึ่ง เป็นสภาวะธรรมที่มาเกิดขึ้นมาแล้วต้องตกอยู่ในกฎของความไม่เจี่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาการเป็นมาในกรณีนี้ก็ต่อเมื่อจิตใจของบุคคลเข้าไปเกี่ยวเกาะผกพันอยู่กับขันเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเรา แต่ถ้ า, ากว่าใจของบุคคลไม่ไปเกี่ยวเกาะเอาไว้ขันเหล่านั้นก็สักแต่ว่าขันไม่ได้มีทิพย์ผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลเราอื่นเพราะวันที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์ อาการที่สามนั้นเป็นเรื่องของบุญบาปและผลของการปฏิบัติพัฒนาทางจิตที่เป็นมานในฐานะนั้นๆปราบาปนั้นเป็นมานโดยทั่วไปสวดบุญนั้นเป็นมานในกรณีที่ขัดขวางบุคคลเอาไว้ไม่ให้ตุดรอดจากความทุกข์ที่แท้ จ, จริง เ ร, เรื่องของบุญเป็นเรื่องของวัตกามีกุศลคือทําให้บุคคลหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแม้จะมีพบชาติประนีขึ้นไปยังไงก็ตามก็ยังถือว่าตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะยังมีความเกิดถ้มีความเกิดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะต้องไหลเข้าสู่กระบวนการแก่เจ็บตาย และยังประสบ ป, ปัญหาต่างๆจากช่วงเกิดถึงช่วงตายอีกเป็นนันมากแต่สิ่งเหล่านี้โดยในยะหนึ่งคือระดับหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านสอนให้กระทระําบบเพนเพื่อหลีกหนีมานประเภทที่เป็นบาปจะได้มีความสุขมีพบมีชาติที่ประนีตขึ้นมีคุณธรรมภายในใจสูงขึ้น ท่านเรียงเป็นมารขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่เป็นอรูปอรูปปัจจานจะพึงเข้าใจว่ารูปปัจจานนั้นที่จริงแล้วก็คืออรูปกรรมฐานเป็นข้อปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานแต่ก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมดาหมายความว่าคนจะขึ้นถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านรูปปัจจานไปก่อนแต่ท่านเหล่านั้นก็คล่องติดอยู่ในสังสารวัฏ โอกาสที่จะมีความเปลี่ยนแปลงภบชาตินั้นก็มีอยู่เสมอแต่ไม่มีกติที่ไม่แน่นอนท่านจึงถือว่าเป็นทุกข์ในแง่ที่ยังไม่หลุดรอดจากสังสารวัฏประการที่สามที่สี่ก็คือเรื่องของมัจจุมาได้แก่ความตายความตายที่ได้ชื่อว่าเป็นมัจจุมนั้นก็พูดกันหลายระดับ ระดับที่ค่อนข้างจะเป็นมารมากๆก็คือเรื่องคนถูกตัดรอนโอกาสของการกระทำความดีที่สูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นยันที่พระพุทธเจ้าทรงประรบการถึงแก่กรรมของอาจารย์ทั้งสองคือท่านอาลาลาบดและสกัด า, าบทถึงว่ากันตามความจริงท่านทั้งสองนั้น ตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นอรูปภพม์จอยู่ในพรพ ม, มโลกมองระดับทั่วๆไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะเห็นอาจารย์ทั้งสองนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะการตายไปเสียก่อนจึงเป็นการตัดรอนโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เมือ่อทรงทราบก็รับสั่งว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นประสบความพิบัติอย่างใหญ่คาว่าพิบัติจึงหมายถึงว่าพิบัติจากมรรคผลนิพพานไม่ใช่พิบัติจากกุศลธรรมทั่วไปชีวิตนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติธรรมดาความตายนั้นที่จริงก็เกาะติดชีวิตมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณแล้ว ในแง่กระบวนการกับชีวิตชีวิตแต่และชีวิตที่ถือปฏิสนธิมาในโลกนั้นเมื่อมีการตรวจสอบด้วยที่ประจักษสุยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระยานของพระพุทธเจ้าทรงเคยรับสั่งให้พระนุรุธทธีระซึ่งแตกฉานในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถจะดูอะไรได้อย่างชัดเจนในบางตอน ท่นงกล่าบทูลพระพุทธเจ้าว่าการเกิดดับของสัตว์โลกนั้นรวดเร็วและเกิดบางช่วงบางขณะนี้ดูไม่ทันพระเจ้ารับสั่งว่าเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกเป็นอันมากแล้วก็มากกว่าที่เกิดมาถือปฏิสนธิในคันของมารดาแล้วมารดายังไม่รู้ว่ามีลูกมาถือปฏิสนธิตายไปแล้ว เรืองการตายในคันที่จริงมีมากกว่าที่หลุดรอดมาตายข้างนอกเป็นการแสดงว่าชีวิตนั้นเป็นเรื่องของแต่ละขนาที่มาเชื่อมต่อกันแต่นั่นเองขณะในขนดขณะหนึ่งขาดไปชีวิตก็ขาดเพราะเวลาพูดถึงเรื่องความตายจะทรงจำแนกแสดงในลักษณะต่างๆเอาไว้โดยภาพ ร, มรวมๆจะเรียกว่า สมมติมรณะคือตายแบบสมมติแล้วก็าตายอย่างจริงจริงอย่างคนตายสตายและสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ตายไปกันปกติธรรมดาที่เบเผากันอยู่ในแง่ของความเป็นจริงทัาก็ไปถือว่าตายจริงมันสมมติว่าตายแต่นั้นเองคือชีวิตก็มาขาดในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วง แต่ว่ายังมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยให้เกิดต่อไปได้อีกเพราะในขณะที่เขาตายนั้นก็ยังมีเชื้อคือมีกิเลสมีกรรมซึ่งพร้อมที่จะไปสร้างเชื้อคือปฏิสนธิวิญญาณขึ้นแล้วถือปฏิสนธิในกับเนิดต่างๆในกติในพบต่างๆอยางบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างเพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมมติมรณะ จะสมมุติว่าตายที่จริงก็ตายจากชาตินั้นไปเกิดชาตินั้นตายจากชาตินั้นไปเกิดชาตินั้นบางครั้งเวลาพูดแบบภาษาธรรมดาธรรมดาคือเรียกว่าพูดกันโดยทั่วไปไม่ต้องเอาอธิบายระดับวิชาการมากเกินไปพระเจา้าก็ใช้คําธรรมดาเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้ศัตรูที่อยู่แสวงหาสัมโพธิญาณอยู่เราประสบความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นกล่าวไป เราเมื่อเป็นพระเวสสันดรเราเมื่อเป็นพระเตมีเราเมื่อเป็นพระมหาชนกเป็นต้นนี่ก็แสดงเห็นว่าพระเจมีก็ดีพระภูริทัตน์ก็ดีพระเวสสันดรก็ดีนั่นตั้งก็ตายแต่ก็ตายอย่างสมมติเอาเผลอจริงแล้วเป็นการตายเพื่อจะเกิดต่อไปแต่นั่นเด็กจะตั้งใจเกิดหรือไม่จะตั้งใจเกิดมันไม่ได้มีสิทธิที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เหตุปัจจัยให้เกิดมีอยู่การใใเกิดก็มีอยู่เหตุปใจใัจจัยเกิดไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีเพราะานการตายในลักษณะนั้นท่านยังเรียกว่าสมมติออกประการที่สองนั้นเป็นการตายจริงๆหมายถึงกระบวนการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเคยเกิดในแต่ละภพาชาตินั้นได้หมดไปอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือการนิพพานของพระอระหันต์ทั้งหลาย พระ h ạ n นั้นชื่อว่านิพพานไปแล้วจริงๆคือตายจริงเป็นการดับโดยไม่มีเชื้อเหลืออยู่อีกแล้วไม่มีการปรากฏอยู่ในภพใดภพหนึ่งและแม้แต่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมส่วนที่เป็นคุณธรรมความดีเป็นแบบดีลากอนชีวิตนั้นก็เป็นเรื่องที่มีจูไปอย่างศึกษากันแต่ถ้าไม่ได้ไปเกิดในภพในชาติใดๆหนึ่ง ลักษณะของนิพพานเนี่ยที่ทรงแสดงไว้ดังแต่ปฐมเทศนาแล้วว่ายานได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปจึงแสดงเห็นว่าภาวะของนิพพานนั้นเป็นภูมิของจิตเป็นชั้นของจิตที่อยู่เหนืออำนาจกิเลสและอารมณ์ทั้งหลาย แต่ภูมิจิตเราอื่นนั้นจะมีพบเป็นที่อุบัติหลังจากตายไปแล้วเพราะท่านอยู่ในกลุ่มของสมมติมรณะคือสมมติว่าตายออกแต่สำหรับพระอาหารหันตพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าสามประเภทนี้จะไม่มีพบเรียกว่าไม่มีโลกุตระพบมีแต่โลกุตระภูมิจึงทรงแสดงว่าพบไม่มีอีกต่อไป ต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภพนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุปาทานอุปาทานเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากตัณหาตนาก็เป็นผลสืบสืบเนื่องมาจากเวทนาที่เกิดความยินดียินร้ายหมายความม่าถ้าประสบเวทนาแล้วไม่มีความยินดียินร้า ย, ยอะไรตัณหาจะไม่เกิดครนี้บุคคลสามารถสรวจสอบได้ที่จิตของตัวเองว่า มีเป็นอันมากที่เราเห็นรูปฟังเสียงดุกลิ่นดิมรด ถ, ถูกต้องเงย็นร้อนนอนแข็งแล้วใจไม่กําหนดดุลอำนาจความกําหนัดความกําหนัดก็ไม่เกิดไม่กําหนดดุลอำนาจความขัดเคืองความขิดเคืองก็ไม่เกิดไม่กําหนดดุลอำนาจความหลงความหลงก็ไม่เกิดไม่กําหนดด้วยความประมาทัวเมาความประมาทัวเมาก็ไม่เกิดแต่นั้นแม้ท่านจะอยู่ในโลกนี้ พอเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในโลกนี้ใจท่านก็ไม่กำหนดอินดีๆในสิ่งเหล่านั้นสุขเวทนาเพราะปราบสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดมันก็กลายเป็นนิพพานสุขที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขคือสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีเจือไม่มีวัตถุกรรมเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นตัณหาขก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดพบก็ไม่เกิด นั่นคือสิ่งที่เป็นกระบวนการของกนและกันดงนั้นพระพุทธเจ้าพระหันพระปเจกับพระพุทธเจ้าจึงหลุดรอดจากมัจจุมาอย่างแท้จริงส่วนระยะบุคคลที่ระดับลดหลั่นลงมานั้นยังไงๆท่านก็ต้องเกิดอีกจึงมีภพแล้วก็มีภูมิสำหรับเป็นที่เกิดของท่านทั้งหลายเหลอดนั้น เป็นชั้นจิตของท่านเล่านั้นความตายอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการพูดกันโดยทั่วไปถึงวิถีชีวิตของบุคคลที่องสานั้มองเห็นว่าชีวิตนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายเพราะความตายนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อไรที่ไหนอย่างใครและแก่ใครโดยวิธีใด ไม่มีใครที่จะรู้ถึงความจริงส่วนนี้ได้อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความตายนั้นจะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ลักษณะหนึ่งเรียกว่ากาลมรณะคือตายมาถึงค่าวที่จะต้องตายลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องของการสิ้นบุญหมดบุญหมดอายุหมดปัจจัยต่างๆที่จะเข้าสนับสนุน ทำนองคล้ายๆกับดวงประชีพที่มันหมดไปเลยมันก็เทียนไส้ก็หมดขายก็หมดจะทำยังไงก็ต้องดับนี่เรียกไปเป็นการตายเมื่อถึงคราวที่จะต้องตายคำว่าคราวที่จะต้องตายหรือว่าถึงที่ตายนั้นไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดจำนวนของอายุ แต่ถูกกาหนดด้วยบุญกุศลที่บุคคลเหล่านั้นกระทาเอาไว้เพื่อเ ป, เป็นเหตุให้อายุยืนร อ, อายุสัน้นนั้นคนบางคนที่แม้แต่ตายอายุเล็กๆก็ถือว่าบางพวกก็ถือว่าถึงคราวที่จะต้องตายเพราะอายุก็มีมีมีมาเพียงเท่านั้นเองแต่มีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้บางครั้งมันก็เพิ่มเหตุปัจจัยขึ้นในชาติปัจจุบันนใได้อย่างธรรมเนียมการทําบุญต่ออายุที่ใช้กันอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่โบราณกาลมานั้น น, น่าจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของอายุวัฒนะภูมาน เจ้ท่านพวกนี้เมื่อเกิดมาแล้วตามกำหนดอายุจริงๆมันก็อยู่ได้เจ็ดวันเด็กพ่อก็นำไปไหว้คนที่มีปรีชาญาณอย่างรู้ถึงเหตุการณ์นอนาคตท่านเหล่านั้นเวลาให้สินนพรก็ให้เฉพาะเรื่องให้มีความสุขแต่ไม่พูดเรื่องอายุยืนพ่อก็สอบถามก็บอกว่าเด็กนี้อายุจะสั้น คือจะอยู่เป็นเจ็ดวันท่านั้นจะมีความสุขแม้นำไปฟาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเช่นเดียวกันแต่ก็ทรงประทานวิธีแก้ไขโดยให้พระรมพิธีสวด น, นั่งล้อมบงเด็กอยู่ตรงกลางก็สวดสาธยายกันตลอดเจวันแ้่ในสุดเด็กเหล่านี้เ ด, เด็กคนนี้ก็ไม่ตายในวันนั้นอายุก็ยืนมารเรื่อย จนมาตายหลังพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วท่านบอกว่ามีอายุยืนถึงร2อยี่สิบปีที่เป็นต้นเหตุให้มีการให้สีในพรกันในปัจจุบันที่พระนา ม, มาสวดว่าอภิวาตนสีฤธิสั จ, จนจังอุทานปะจารย์โน์จตารโธธรรมาวันติอายุวโนสุขังพลังคือมาจากเรื่องนี้แต่แสดงว่า เหตุปัจจัยในอดีตที่ทําให้อายุยืนอายุสั้นนั้นเป็นผลจากปานาติบาหรืองดเว้นจากปานาติบาหรือการเบียดเบียนสัตว์หรือการไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็สร้างเหตุปัจจัยขึ้นในปัจจุบันได้แต่ไม่ได้หมายความไม่ตายเพียงแต่อาจจะยืดช่วงระยะใดระยะหนึ่งออกไปได้ซึ่งตรงนี้ก็คงจะมีเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบอีกเป็นอันมากแต่สรุปว่า ชีวิตก็ถึงที่ตายการตานั้นก็จะตัดรอนชีวิตตัรอนโอกาสต่างๆที่จะประพฤติจะกระทําความดีแต่มันก็เป็นสภาวธรรมเพราะในช่วงนี้เอาก็จริงเราก็แก้ไขได้ยากถึงแม้บางกรณีอาจจะแก้ไขได้ดังกล่าวแต่โดยทั่วไปมันคงแก้ไขได้ยากมีการตายอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าอากาลมรณะคือ ตายในคราวที่ยังไม่สมควรจะตายหรือไม่ถึงคราวที่จะตายลักษณะเหล่านี้อย่างที่พบเห็นกันว่าบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นจากความประมาทพลาดพลั้งเผลอเรือของบุคคลนั่นเองหรือาการประทุษร้ายตัวเองของบุคคลดด น, นั้นเช่นคนที่ฆ่าตัวตายกินยาพิษกระโดดที่สูงเป็น ต, ต้นหรือบางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นจาก ความประมาทในการใช้ย า, านพาหนะการใช้การใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆต้นแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุปัจจัยภายนอกคือความเพียรพยายามของบุคคลอื่นที่เป็น่าศึกศัตรูมาตัดรอนมาทำลายชีวิตของบุคคลนั้น คนนี่ถ้าเราลองสังเกตดูถึงประวัติชีวิตของพระโมคคัลลานะก็จะเห็นได้ทั้งสองอย่างพระโมคคัลลา น, นั้นพวกนักบวชนอกศาสนาที่มีความริษยาพระพุทธศาสนาและเห็นว่าคนก็รบต้อง ถ, ถือรู้แต่ศาสนามาจากสายของพระโมคคัลลา น, นี้มากก็าวางแผนที่จะฆ่าท่านก็ไปฆ่าท่านทั้งสองสามครั้ง ท่านรู้ท่านก็หลบหนีไปท่านลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นอาการลับราณะคือยังไม่ถึงคราวโดวยคราวหนึ่งแม้คนมาล้อมท่านก็รู้อยู่แล้วท่านสามารถที่จะหนีไปได้เลยแต่ท่านก็ไม่หนีเพราะมองเห็นว่ากรรมมันมาถึงแล้วก็ปล่อยเขาทุกเขประทุษรายชีวิตของท่านจนถึงกับก็เรียกว่าเกือบไม่ผ่าน ่อการแสดงว่าแม้เรามีญาณอย่างรู้วาชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ตามแต่พวกกาลารณะณนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงก็ทรงแสดงว่าบุคคลแม้จะไปอยู่ในกลางมหาสมุทรบนห่วงอวกาศในถ้ำในภูเขาบนปราสาทชั้นสูงมีคนดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็ตาม เมื่อความตายมาถึงเข้ามันก็คือตายไม่สามารถจะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นไปได้เมื่การสอความตายในลักษณะนี้จุดเน้นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตัวความตายนั้นมันเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นกับสบรรพสิ่งหรือสิ่งที่ต้องมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายนี่ จริงไม่มีชีวิตเราก็เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่อาจจะบางอย่างอาจจะเร็วบางอย่างอาจจะชา้าแต่ชีวิตของคนนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความตายจึงกลายเป็นตัวตัดรอนขัดขวางโอกาสที่จะกระทำความดีทั้งหลายแต่ครั้งอาจจะเตรียมตัวเอาไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ทำไม่ได้และทำไม่ทันเพราะว่าม า, มาตายซะก่อนพวกมารกลุ่มนี้ผิดกับมารกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกที่เป็นกิเลสนั้นพระเจ้าทรงสอนให้มองเห็นโทษของมันเราพยายามลดละบันเทาสงบระงับจนถึงกระดับไปตาบกํบาลังความสามารถแต่มารกลุ่มนี้มันเป็นปรากฏการแบบธรรมชาติ เป็นสภาวธรรมเพราะวิธีแก้ไขในส่วนตัวของเขาก็คือทำใจให้ยอมรับความจริงของชีวิตว่าต้องเป็นเช่นนั้นแต่ความเป็นเช่นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหรที่ไหนอย่างไรก็ไม่อาจจะทราบได้ปัญหาที่บุคคลจะต้องพยายามแสวงหาคำตอบ ก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละขณะในขณะที่เรียกแรงความเปียนพยายามยังมีอยู่ก็รีบตวงผลประโยชน์จากเรียกแรงความเพียนพยายามเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ความตายจะมาถึงก็คือมาถึงแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันเราดีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความดี ในแต่วันในแต่ละขณะมัวก็มีมากยิ่งขึ้นแต่เพื่อให้เห็นยิ่งกันไปกว่านั้นท่านก็จัดความตาอีกประเภทหนึ่งขึ้นไว้ให้ดูว่าเป็นคณิกะมรณะคือคนเราตาอยู่ทุกขณะอวัยวะส่วนย่อยๆที่เป็นส่วนประกอบเป็นดิดนน้ำลงไฟอากาศเราจะเห็นว่ามันก็มีการเสื่อมอยู่ทุกขณะ นี้เป็นคณิกาของเราหนะักตัววิจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวองค์เขาเองหรือว่าจิตเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวขเขาเองแสดงว่าความคิดความอ่านเองก็มีเกิดมีเกิดมีดับอยู่ทุกขณะตัวเป็นเรื่องที่เห็นได้และใจจุดนี้เองทําให้มองเห็นว่าแม้แต่กุศลและเจตนาบางกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่รีบเร่งใช้ประโยชน์มันมันก็ใช้ไม่ได้ เพราะจะไม่อยู่ให้ใช้มันเกิดแล้วมันจะดับไปทําให้มองเห็นว่ามีกุศลและเจตนาต่างๆเป็นนันมากที่เกิดขึ้นแกเราในแต่ละขณะต้องการจะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้พอก็จริงจะทําไม่ได้จะ ท, ทำว่าทําไมทําไม่ได้เพราะกุศลและเจตนาเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปจะแล้วพอถึงคราวจะทําก็ เร่เป็นเรื่องเราอื่นอยาข้อ น, นี้ที่พระเจ้าได้รับสั่งแก่อุบาสกท่านหนึ่งที่เป็นอุปยงประธานของพระโมคคัลลานะคือท่านผู้นี้นิมนต์พระโมคคัลลานะพร้อมด้วยพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันปตา h a n เสวยปต a หารในบ้านของตัวเองแต่ความพระพุทธเจ้าก็าาไปรับพรราชนา นางจูลบสุปธาซึ่งเป็นธิดาของธานานาณาตวิติกเศรษฐีที่อยู่เมืองไกลเพื่อเจ้ารับสั่งบอกพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ไปขอเลื่อนโยมเอาไว้โยมคนนั้นแกก็ที่จริงก็จะเริญนมรณสติอยู่พอสมควรคือมองเห็นชีวิตข้างหน้านั้นเป็นเรื่องที่รู้ไม่ชัดเจนว่าไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นจึง่าขอให้พระพุทธเจ้ารับประ ก, กันท่านสองเรื่อง รับประกันชีวิตกับรับประกันศรัทธาท่านว่าถึงวันพรุ่งนี้ศรัทธาของท่านยังไม่เสื่อมไปและชีวิตของท่านก็ยังไม่ตายพระเจ้าทรงรับประกันชีวิตให้โดยรับรองว่าพรุ่งนี้นั้นยังไม่ตายหรอกแต่ว่าศรัทธาะเป็นเรื่องที่เือต้องรับรองด้วย ต, ตัวตัวเองก็เป็นเรื่องของความคิดจิตใจ มันก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเราจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามมันเกิดขึ้นก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมันก็ดีแต่ว่ากุศลนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องประคับประคองรักษาไว้และ้ะว่าจกชวยโอกาสมื่อเขาเกิดรีเพล่งกอบโกยตักตวงผลประโยชน์จากการกระทําความดีให้ได้มา้างบางครงก็ทรงแสดงให้เห็นถึงสภาพจิต เช่น จ, จากคัดเจตนาคือเจตนาที่จะบริจากคกำเกิดขึ้นภายในจิตแล้วตั้งใจจะบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นแต่ก็ปล่อยให้ลาดเช้าไว้ในสุดมัธเประเทศคือจิตที่ประกอบด้วยความสนิทก็จะเกิดขึ้นครอบงํำจิตบุคคลแล้วก็ทําให้ความรู้สึกอยากจะบริจาคหมดอิทธิพลไปใจก็ถูกความสนิทความโหมความเจดาญก็ครอบงำเพราะงั้นโอกาสที่จะทําความดีก็หมดไปในช่วงนั้น นการศึกษาเรื่องของความตายจึงมองไปที่ไม่บุคคลประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคของตนเรื่องของความตายนั้นจะกลัวก็ตายจะไม่กลัวก็ตายพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนตั้งกลัวและก็ไม่กลัวแต่ว่าสอนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะหาประโยชน์ได้ จกตัวของความตายซึ่งเป็นมานเป็นพยามาตัมาตจุมานคือมานคือความตายแล้วก็เป็นตัวสภาวธรรมนั่นเองในขณะเดียวกันเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลกับเรื่องราวข่าวคลา ว, าวที่เกี่ยวกับการตายคนตายสัตว์ตายหรือสิ่งต่างๆตายเรื่องความตายก็กลายเป็นอนุสติอีกประการหนึ่งที่เรียกว่านัตสติหรือมรณ า, านุสติคือการตั้งสติตามระลึก ถึงความตายที่เกิดขึ้นแก่ตนที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและกำลังเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นและได้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเพราะในแง่ของความเป็นจริงทุกขณะของชีวิตนั้นความตายได้เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นอยู่และจะเกิดขึ้นต่อๆไปถ้าเราสามารถจะมีญาณย่างรู้หรือมีตาเป็นทิพมองดูในแต่ละขณะจะเห็นคนตายอยู่ทุกขณะ คนตายสัตว์ตายมีสิ่งต่างๆ ต, า, งตายแต่ว่าตายอยู่ในส่วนใดแต่นั้นเองโอกาสเดินความตายเหล่านั้นก็จะมาสู่ตัวเราอย่างที่รับสั่งเตือนไว้เป็นคาถาวา่าร่างกายนี้ไม่นานแล้วจะล้มลงเหนือแผ่นดินเมื่อวิ ญ, ญญาณออกไปจากร่างแล้วก็จะมีค่ามือกระท่อนไม้ที่หัสระแก่นสารอะไรไม่ได้ เพื่อจะไม่ให้มัจจุมานคือความตายเข้ามาตัดรอนชีวิตโดยไม่ได้รับประโยชน์ไม่รับคุณค่าจากการมีชีวิตหรือการได้ชีวิตมาพระธรรมเทศนาที่ประรบเรื่องนี้ก็จะเน้นไปที่ขณะอย่างที่กล่าวแล้วโดยความตายเป็นของที่เที่ยงแท้แนะ่นอนชีวิตนั้นไม่เที่ยงแต่วความตายนะั้นเป็นของจริง วันเมื่อเขาเป็นของเที่ยงเราก็แก้ไขอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องเป็นก็อย่างนั้นเมื่อแก้ไม่ได้ก็ไม่แก่แต่ก็มาแก้ที่การใช้ช่วงใช้ขณะใช้โอกาสที่ได้สัมผัสในแต่ละขณะโดยความเป็นผู้ตื่นตัวระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ทั้งหลายอะไรที่เป็นข้าึก ก็พยายามปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นเอาไว้และอะไรที่เป็นสิ่งเกื้อกูลต่อพัฒนาการทางจิตก็เพียรพยายามน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะคุณค่าของชีวิตแี่จริงไม่ได้อยู่ที่อายุยืนเท่าไหร่แต่อยู่ที่ได้ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงในแต่ละขณะเป็นอย่างไร อย่างที่รับสั่งเตือนไว้ว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความมุมหมองประมาทแล้วก็สู้คนมีอายุอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่มุมหมองประมาทไม่ได้เพราะเพื่อจะให้บุคคลสามารถต้านทานต่ออำนาจของมัดจุมานคือความตายได้พระเจ้าจึงทรงแสดงถึงภาวะความจริงของสิ่งเหล่านี้เอาไว้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็คือการสอนเรื่อง มนานุสติหรือมานสติคือาการตั้งสติระ ล, ลึกถึงความตายจงเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตช่วยให้ใช้ชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นเมื่อมีอยู่ในบุคคลใดก็ตามบุคคลนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายแล้วก็เชื่อว่าอย่างไม่ตายต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป